ธรรมะไม่ใช่ของฉับชฉวยธรรมะเป็นเรื่องจริงจังต้อนงะศึกษาต้องลงมือปฏิบัติธรรมะให้ประโยชน์ธรรมะให้ความสุขบางทีสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าจะส่งพระออกไปเผยแพร่ธรรมะไปประกาศธรรมะท่านบอกให้พระทั้งหลายนะจะริไปไปประกาศธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุด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 คนมีสมาธิจิตใจมีความสุขมีความสงบยิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มชื่นเบิกบานงดงามงามกว่าพวกหน้าดิ้วคิ้วขมวดกิเลสหนาใครเคยส่องกระจกหรือเคยเห็นเวลาโกรธไหมเวลาโกรธงามไหมดูไม่ได้เหมือนยักษ์เหมือนมารถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมารเขาว่ามารเเป็นเทวดาวเป็นกัน เ, เหมือนยักษ์ก็แล้วกันเวลาโกรธ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 งดงามเห็นแล้วก็ชื่นใจพวกเราเคยเห็นคนบางคนแล้วเราชื่นใจไหมเห็นคนบางคนแนละ้วคลื่นไส่รู้สึกไหมง <c oughs> ั้นธรรมะนะทาให้งามนะใครอยากสวยอยากงามก็มีธรรมะไว้ในใจนะี่บางคนหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือให้สัมภาษณ์เป็นหนังสือเกี่ยวกับความงามนะแต่เขาสัมภาษณนะ์ผู้หญิงคนหนึ่งก็บอก เขาฟังซีดีหลวงพ่อประโมทฟังซีดีหลวงพ่ อ, อยัางงามเลยนะต้องฟังนะซีดีเอาไว้ฟังไม่เอาซีดีมาถูหน้าอะไรคงไม่งามอ่นะนั้นธรรมะมันทำให้จิตใจเราดีจิตใจปลอดโปร่งร่องเบาจิตใจสบายจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลคนที่จิตใจปลอดโปร่งร่องเบาเป็นบุญเป็นกุศลนะงามโดยไม่ต้องเสแสร้งแก่เท่าอย่างไก็งามโดยไม่ต้องเสแสร้นะง เพราะมันงามมาจากข้างในข้างนอกมันก็งามทีหลังนะอย่างครูบาอาจารย์แก่เท่าก็ดูงามนตายไปไอเผาลงไปนะกะดูยัางงามเลยนะพวกเรากระดูกใครเคยเห็นกระดูกของคนทั่วทั่วไปไหมเวลาเผาออกมาเหมือนกระดูกเป็ดกระดูกไก่ด้านด้านขุ่นๆเนานะสีกระดากระดา่างครูบาอาจารย์เผาออมาสวยกระดูกนี่งามพาไปถึงกระดูกเนี่ยนะนะ งั้นเราอยากสวยอยากงามนะเราก็มีธรรมะไว้ธรรมะนอกจากให้สวยให้งามเนี่ยธรรมะยังให้ประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันนประโยชน์ในอนาคตประโยชน์อย่างยิ่งคือพันิพพานนี่ธรรมะให้ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ประโยชน์ในปนัจจุบันนีคนมีศีลคนมีธรรมใช่ไหมไม่ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือ่อยไม่ยากจนหรอกรายได้ไม่มากแต่ไม่จนบางคนไม่มีศีลมีธรรมรายได้เยอะ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 เรารู้จักเลือกคมครบคนดีนะดำรงชีวิตดีๆชีวิตมันมีความสุขนะได้ประโยชน์ได้ความสุขในปัจจุบันอย่างพวกเราที่หัดภาวนาหัดเจริญสติพวกเรารู้สึกไหมพอสติเกิดเรามีความสุขในปัจจุบันใครรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมที่หัดมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมชีวิตมันโปร่งมันโลง่งมันเบาไม่ ม, ม, มีความสุขนะเราได้รับประโยชน์เราได้รับความสุขอยู่ในปัจจุบันแล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 งันถ้าเราภาวนาจนเราเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจได้จิตล่อยวางความยึดถือในรูปนามในกายในใจได้จะได้รับประโยชน์อันยิ่งเราจะเห็นพระนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกอุดมปตินิพพานไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจไม่มีจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งในพระนิพพานนะเห็นรับวว่านิพพานเป็นยังไง นิพพานนั้นเป็นสันติเป็นความสงบอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่สงบอย่างโลกโลกนะอย่างไฟไหม้แล้วไฟดับมากว่าไฟสงบนะพวกแขกบางทีเรียกไฟไหม้แล้วไฟดับบากว่าไฟนิพพานเหมือนกันนะนั่นไม่พอนั้นมันตื้นไปนะมันสงบจากอะไรมันสงบจากกิเลสนะสงบจากความปรุงแตง่งสงบจากขันนะสงบจากทุกขนะ์จิตมันพลากออกไปจากขัน จิตมันพ้นจากความปรุงแต่งจิตพ้นจากกิเลสไม่มีกิเลสมาย้อมจิตเมื่อกิเลสไม่ย้อมจิตนะก็ไม่มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นความปรุงแต่งของจิตเกิด จ, จากกิเลสนั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสจิตจะไม่หลงไปในความปรุงแต่งนะงมีเหลือแต่ธาตุขันธ์ทำงานไปนะจิตอยู่ต่างหากจิตปลักออกจากธาตุจากขันธ์ไม่เข้าไปยึดถือในธาตุในขันธ์ถ้าภาวนาจนจิตแยกออกจากขันธ์ได้เราจะพบว่ามีความสุขมากนะพระอราหันต์นั้นท่านแยก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 ใครเห็นว่ากิเลสกับจิตเป็นคนละอันอันเดียวกันหรือคนละอันนะถ้าหัดดูหัดภาวนาไปก็จะเห็นว่ากิเลสก็ส่วนกิเลสจิตก็ส่วนจิตโคนละอันกันเพรากิเลสกับจิตมันแยกออกจากกันนะจิตมีความสุขมีความสงบอย่างมหาศาลเลยนะนี่ขนาดไม่ถึงพระนิพพานนะแค่แยกธาตแยกขันได้เนี่ธรรมะในเบื้องต้นเท่านั้นเองแยกเป็นครั้งเป็นคราวะจิตพลาดออกจากขันเป็นครั้งเป็นคราวยังได้รับความสุขมากมาย เวลานี้ที่พวกเราเรียนจากหลวงพ่อนะพวกเราสามารถแยกธาตุแยกขันได้เนะี่ยนับจำนวนไม่ท้วนเลยเราจะรู้สึกขึ้นมาในใจนะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าร่างกายอยู่ห่างๆออกไปนะใครเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายห่างๆไหนลองยกมือให้ดูมีไหมนะพวกนี้พวกเหนี่มเหนี่มไม่ค่อยยอมยกํกำจริงแยกได้เยอะแยะแยกเยอะแยะเลย จะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตคนละอานกันนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายก็เป็นโคนละอันกับร่างกายเป็นคนละอันกับจิตความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนะที่เกิดขึ้นในจิตก็เป็นคนละอานกับร่างกายเป็นคนละอันกับจิตกุศลากุศลที่เกิดขึ้นเช่นความโลภความปลรธความหลงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่จิตอีก มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคลาล์จิตไปรู้เข้าเป็นคลาล์เกิดแล้วก็ดับไปนี่ถ้าเราหัดมากเข้ามากเข้ า, ม, า, ขามันจะแยกมันแยกออกมาพอมันแยกออกมานะความทุกข์มันจะหายไปเยอะเลยนี่แยกได้ชั่วคราวนะแยกด้วยใจคลาวเพราะมีสติเพราะมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาหรือมีสมาธิขึ้นมาแค่มีสติกับสมาธิขึ้นมาแล้ขันยังเริ่มแยกตัวพอขันมันเริ่มแยกตัวแล้วเราก็ จเจริญสติรู้ขันมันต่อไปเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นนามมาทำทั้งหลายเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยนะครมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรืเรถึงจุดหนึ่งปัญญามันปิ๊งขึ้นมาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นเลยไม่มีตัวมีต น, นสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ทนอยู่ไม่ได้นะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่บังคับควบคุมไม่ได้จริง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 นี่หัดรู้หัดดูเนืองเนืงนะรู้ลงในคาดในขันของเราเนืองเนืองพอเรารู้ความจริงพอเห็นความจริงเนี่ยจิตมันจะแยกตัวออกเมื่อวานก็มีเมื่อวานหรือวันศืนมีผู้หญิงคนหนึ่งไปที่วัดแกได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องแยกคาดแยกขันบ่อยๆแต่ก็เลยเล่าบ้างยกมือส่งกันบ้างบอกว่าดิฉันขึ้นต้นจำปีใครรู้จักต้นจำปีบ้า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 แยกขันไม่ได้แยกอย่างนั้นหรอกแยกด้วยความรู้สึกเท่านั้นเองรู้สึกจะเห็นว่าร่างกายกับจิตมีโกลาณกันนะมันไม่ห่างขนาดอยู่บนยอดไม้ก็อยู่โคนต้นไม้หรอกมันไม่ต้องห่างไกลขนาดนั้นบางคนเลยแยกภาวนานะจิตแยกออกจากกายแล้วเดินออกไปไกลเลยนะเห็นร่างกายนอนอยู่จิตเดินออกไปอยู่ห่างๆจิตออกจากห้องไปเปิดประตูห้องออกไปเดินออกไปนอกบ้าน ร่างกายก็ยังนอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะเราไม่ได้ฝึกอย่างนั้นนะ น, นั่นมันถอดจิตแล้วถอดจิตไปเที่ยวนะอยากเรียนไหมวิชาถอดจิตไปเที่ยวไม่ยากหรอกแต่ถอดแล้วกลับมายากเที่ยวเตลิดเปิดเปิงไปนะง เ, เ, ent, ไรเรื่อยๆหลวงพ่อตอนเะด็กๆอินโนเซนต์ไม่รู้เรื่องไปหัดเข้านะไม่ทันระวังไม่รู้เรื่องน่ะไปหัดหายใจหายใจแล้วจิตมันสว่างขึ้นมา ควาสว่างนะันมันคล้ๆสปอตไลท์นะฉายไปที่ไหนมันก็ไปถึงโน่นน่ะไม่ดีเลยเป็นนิมิตนะ่ะเป็นนิมิตไม่ดีเลยเที่ยวไปเที่ยวไปก็กลัวผีนะเกิดเจอผีจะทํำยังไงเราเป็นคนกลัวผีท่หลังไม่กล้านะไม่กล้าตามแสงสว่างออกข้างนอกไปนะพยายัมรู้สึกตัวพยายามรู้สึกตั ว, ตวแต่ว่าเดินปัญญาไม่เป็นทําได้แค่รู้สึกตัวเพั้นพอรู้สึกตัวเป็นนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ว่าเดินปัญญานะ มาฝึกเดินปัญญาคือมหัดแยกธาตุแยกขันธ์ทีหลังนี่หลวงปู่ดูลย์ท่านมาสอนหลวงพ่อให้ดูจิตตัวเองมหัดดูหัดดูแล้วเห็นเลยจิตกับกิเลสมันคนละอันกันนี่ก็หัดแยกขันธ์แล้วนะเพราะจิตนี่เป็นวิญญาณขันธ์กิเลสเป็นสังขารขันธ์คละขันธ์กันละหรือบางทีเห็นว่ามันมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนี่ก็แยกขันธ์ล้จิตเป็นคนไปรู้ความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธนะ์แยกกันเรางหัดแยก แต่ไม่ใช่แยกแบบถอดแล้วไปเที่ยวร่อนเร่ไปเรื่อยๆนะอันนั้นไม่ดีนันส่งจิตออกนอกเวลาที่จิตกับขันแยกออกจากกันมันแยกนิดๆหน่อยๆหอยรอกไม่ได้แยกห่างๆนะแล้วบางทีแยกแล้วบางทีก็กลับมารวมกันอีกพนอะสมาธิเราไม่พอมันก็กลับมารวมกันพอจิตใจเราสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็แยกอีกนะก็ปลุกปลุกโปรโผอยู่งั้นนะเข้าๆออกๆ อ, อ, อยู่งั้นนะนี่ในขั้นปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ แต่ว่าพอมันภาวนาเต็มที่แล้วเนี่ยจิตมันเกิดปัญญามันเห็นความจริงแล้วธาตุขันธ์ทั้งหลายมีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นธาตุขันธ์เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับไปรวมกับขันธ์อีกแล้วจะแยกขาดจากกันเพราะปัญญางั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสรุปมันบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะมีปัญญาอะไรปัญญาเห็นอริยสัจนั่นเองก็เห็นทุกข์อริยสัจข้อแรกก็คือเห็นทุกข์เห็นขันธ์นั่นแหละตัวทุกข์นะ พอเราสติปัญญามัเห็นขันเป็นตัวทุกขนะ์แล้วจิตมันก็พรากออกจากขันมันไม่ยึดถือขันนะมันแยกออกจากกันตอนนี้พวกเราหัดแยกขันอยู่เนี่ยตอนนี้ใครหัดแยกขันอยู่ใครแยกขันได้แล้วเยอะแยนะเนาะมีเยอะแยะเลยแต่ไม่กล้ายกมือนะมุดๆอยู่อย่างเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> นักปฏิบัติเลยขี้ขาดตอนนั้นนะ <c oughs> ตอนเราหัดแยกทีแรกเลยรู้สึกว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งรู้สึกไหมจะแยกอย่างเงี้ะ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 ดึงจิตออกมานะแล้วก็ดันดันขันออกไปหลงพ่าเคยทำทั้งสองอย่างอนะดึงจิตออกมาแนละ้วดึงออกมาได้ก็กูเก่งแล้วอ่ะนะอีกวันหนึ่งดึงไม่ขึ้นนะก็ดันขันมันออกไปดันใครเคยทำบ้างมีทั้งดึงมีทั้งดันนะวิธีแยกขันไม่ได้จงใจไม่ได้จงใจดึงจิตออกจากขันไม่ได้จงใจผลักขันออกจากจิต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 จะมีการประคองมีการรักษามีการเพยงอยู่แน่นอนงั้นถ้าแยกแล้วปลุกปลุกปลปอยู่นะยังพอเป็นธรรมชาติหน่อยแต่ว่าพอฝึกแยกไปนานทีแรกก็ปลุกปลุกปลปลุนะต่อไปจิตมันจะค่อยเด่นดวงขึ้นมาไม่ค่อยรวมเข้าไปแล้วเด่นดวงขึ้นมาแล้วพอมันเด่นดวงขึ้นมาแล้วสติปัญญามันก็ค้นคว้าพิจารณาขันไปเรื่อยนะเห็นจิตนี่เป็นคนดูอยู่ขันนี่ทำงานไปผ่านมาผ่านไปจิตเป็นคนดูฝึกงิ้มนานไป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 จนกระทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงเลยขันว่ามีแต่ทุกข์นะทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามีแต่ทุกข์ร่างกายที่จิตไปรู้เข้านี่ก็มีแต่ทุกข์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนะหมุนเวียนไปยเรื่อยๆเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้กูสอนนะกูสอนทั้งหราก็ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปอารมณ์อารมณ์ไปว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ทั้งปวงนั้นเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จิตมันก็วางตัวอารมณ์นะมันมายึดจิต จิตการอารมณ์เป็นของคู่กันที่ใดมีจิตที่นั่นมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั่นมีจิตเสร็จแล้วพอมันเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสังขารในไร้สาระนั้นมันวางไม่เข้ามาที่จิตอันเดียวเนี่ยจะเด่นดวงอย่างเงี้ยมีสมาธิทรงตัวเด่นดวงงเงี้ยงั้นเป็นภูมิธรรมของพระอนาคานะท่านเห็นความจริงแล้วว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นของที่ไร้สาระอย่างพวกเราไม่เห็นว่าอารมณ์ไร้สาระพวกเรารู้สึกไหม อารมณ์เป็นของอาร ե ศอร่อยยกเว้นอารมณ์ไม่ดีถึงจะไร้สาระอารมณ์ที่อร ե ศอร่อยยังมีอยู่รู้สึกไหมเนี่ยเราเที่ยวแสวงหารูปที่สวยสแสวงหากลิ่นที่หอมสแสวงหารสที่อร่อยสแสวงหาเสียงที่ถูกถูกใจนะเรายัางคิดว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนยะเป็นรูปก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นกลิ่นก็ได้เป็นรสก็ได้นะเป็นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มาสัมผัสร่างกายก็ได้เราเที่ยวแสวงหาไปเดืยหวังว่าจะมีความสุข เนี่ยการที่จิตเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อยนี่คือการสแสวงหากรรมนะเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายร่อนเร่ไปเรื่อยหรือหาความสนุกสนานเพลิดเพลินทางจิตใจเพลิดเพลินไปเรื่อยก็เรียกกรรมมาทำนะเป็นกรรมทางใจแล่นะจิตยังคล้องอยู่ในกรรมพวกเราจิตคล้องในกรรมไหมรู้สึกไหมจิตหิวหิวรูปใช่ไหมอยากดูรูปหิวอยากได้ฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัส อยากคิดอยากนึกเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหมเนี่ยเรายังเพลิดเพลินอยู่เรายังเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นของดีของวิเศษอยู่เพราะฉะนั้นสรุปได้เลยถ้าใครเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระอนาคามีไหมใครเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษยังไม่มีนะสรุปว่ายังไม่เห็นพระอนาคาเนี่ยต้องค่อยฝึกนะพระอนาคาถ้าจะเห็นแจ้งเลยอารมณ์ทั้งหลายนะไ้สาระเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จิตเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งได้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 วันหนึ่งท่านก็บอกว่าผู้ปฏิบัติส่วนมากเป็นผีใหญ่ท่านว่างี้ยผีใหญ่แล้วท่านก็จบไม่พูดเราก็ต้องนิ่งๆอย่าไป บ, บ็อกแวะอย่างนี้นะธรรมะท่านหายหมดเลยท่านไม่พูดอีกแล้วเสร็จแล้วท่านก็ขยายความให้เพราะว่ายังยึดจิตไปอยู่ยังยึดถือจิตอยู่ปล่อยวางจิตไม่ได้เหรอเห็นจิตเป็นที่พึ่งที่อาศัยอยู่นะงั้นพวกเราหัดภาวนานะเรียนรู้ความจริงแยกคาดแยกขันไปก่อน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 งั้นอย่างพระนาคาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกองค์จะไปอยู่ในสุดถาวรอย่าเข้าใจผิดนะพวกเราบางทีชอบมั่วๆ ว, ว่าพระนาคาทุกองค์ไปเกิดในสุดถาวรในพรหมโลกสุดถาวาสุดถาวรเนี่ยเฉพาะท่านที่ได้ฌานที่สี่แล้วไม่ใช่ฌานที่สี่เฉยๆด้วยนะอินทรีย์ต้องแก่กล้าด้วยนะนำทางฌานที่4ี่ท่านจะไปอยู่เรียกเวหภ ร, ราหาืองไงจำคล้ายๆกับขาเป็นเป็นฌานที่สี่เป็นพรหมที่เกิดด้วยฌานที่สี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 อย่างความโลภเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันมันได้ความสันโดษมาไม่โลภเนี่ยเราก็ดูนะอย่างอยากโกหกเกิดขึ้นรู้ทันความอยากโกหกหายไปได้สัจจะขึ้นมาไหมอยากกินเหล้าเมายานะมีสติรู้ทันไม่ไปกินเหล้าเมายาได้สติขึ้นมางั้นถ้ามีสติรักษาจิตจริงๆนอกจากได้ศีลแล้วจะได้ทำบางอย่างอัตโนมัติขึ้นมานะจําเป็นนะ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 จะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะจิตจะค่อยๆจิงไอ้ของที่เกิดเกิดดับดับนี้ของไร้สาระนะมันจะค่อยๆรวมเข้ามาที่จิตนะแล้วมันจะเดินต่ออย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นี้เองนั้นจะค่อยพัฒนาขึ้นมานั้นมาแตกหักกันขั้นสุดท้ายก็คือมาปล่อยวางจิตให้ได้เท่านั้นแหละนะยากไหมยากไหมถือศีลห้าไว้ก่อนนะถ้ายังไม่เริ่มเลยก็ยากหน่อยยังห่างไกลถ้าถือศีลไว้ก่อนนะก็ไปได้เยอะละ ได้ตั้งหนึ่งในสามของพันิพานแล้วนะได้ศีลแล้วนะจะไปก็ฝึกจิตให้ตั้งมัน่นพระจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ได้สองในสามแล้วเห็นมเหลือบทเรียนเดียวเหลืออีกนิดเดียวเอง <c oughs> นะไม่เกินเจ็ดชาติก็เรียนจบแล้วนะต้องสู้เอานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้มานะเราจะได้ประโยชน์ประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตนะจนแก่จนเฒ่าก็มีความสุขได้ ประโยชน์อันยิ่งคือพระนิพพานทุกคราวที่ได้ประโยชน์มาก็มีความสุขนั่นแหละมีความสุขแนบมาด้วยถึงพระนิพพานก็มีความสุขที่สุดเลยไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับพระนิพพานลเลยนะจิตที่ส่งพระนิพพานอยู่เวลาจิตส่งพระนิพพานอยู่ถ้าเป็นพราโสดาสกทาคาพาณนาเนะมันไม่ส่งมัไม่ส่งจริงบางทีเวลาจะนึกถึงนิพพานนะต้องไปแยกขันใหม่ ดูจากขันกันแยกขันออกไปวางขันจิตไม่เคยวางแล้ววางวางเร็วนะวางป๊อปเลยก็ไปเจอพระนิพพานนะแต่อย่างท่านที่ท่านจบจิตแล้วนะจิตท่านอยู่กับนิพพานระลึกถึงแค่มานสิการถึงแค่ระลึกถึงนะมานัสิการถึงก็ถึงเลยนะแล้วจิตกับนิพพานมันแนบอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอยู่แค่ระลึกถึงพระรหันเห็นนิพพานตลอดเวลาไหมใครตอบได้บ้างไม่ตลอดพระราหันเห็นรูปไหม พระอรหันต์ได้ยินเสียงไหมหรือพระอรหันต์หูหนวกตาบอดตอนที่เห็นรูปเนะี่ยก็ไม่ได้เห็นนิพพานใช่ไหมตอนที่ได้ยินเสียงก็ไม่ได้เห็นนิพพานใช่ไหมตอนที่จะโมกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้การกระทบสัมผัสก็ไม่ใช่นิพพานจิตไปรู้อารมณ์อย่างอื่นต่างหากใช่ไหมตอนที่คิดล่ะพระอรหันต์มีความคิดไหม เออเขาต้องมีใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านอย่างคิดเลยนะวันนี้ท่านจะสอนใครอะไรจะสอนอยังไงท่านคิดนะนะเวลาที่คิดเนี่ยจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดจิตเ้าไม่ไปทรงนิพพานเห็นไหมคนละเรื่องกันนะงั้นอย่ามองโมเ ม, มแต่ถามว่าจิตนั้นปนเปื้อนกิเลสได้อีกไหมไม่ปนเปื้อนอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าจิต น, นี่นะมันกลืนเข้ากับธรรมชาติเลยนะกลืนเข้ากับธรรมะไม่ใช่ธรรมชาตินะมันไม่ปนเปื้อนอะไรอีกต่อไปแล้ว แต่ถามว่ารู้ตลอดเวลาไหมถ้ามานาสิการถึงก็รู้ถ้าไม่มานาสิการถึงแต่ไปมานาสิการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพลิตภาณก็ไม่รู้เหมือนกันนะงั้นเราอย่าไปวาดภาพพระอรหันต์เหมือนคนพิการนะวันวันนั่งอย่างนี้ยุงมากัดเนี่ยคันก็เกาไม่ได้เดี๋ยวว่าโลภโอ้อะไรเงี้ยนะเม่อกมันเกินไปนะนะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกฝึกนะแล้วเราจะได้ความสุขเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเรามากเลย ที่เราได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะที่วัดหลวงพ่อตอนนี้นะมีฝรั่งอยู่กลุ่มหนึง่งไปเรียนฝรั่งนี่เรียนกันจริงๆเลยนะเวลาเรียนนี่เขาเอาจริงเอาจังเลยเมื่อวานแกล้งถามดูว่าใครเคยเห็นเทวดาบ้างฝรั่งยกมือเลยนะคนไทย <laughs> คนไทยเราคุ้นกับธรรมะมากไปได้ยินธรรมะนะแล้วไม่ปฏิบัตินะ ถ้ไม่ปฏิบัติไม่ได้เรื่องะมีหูก็เหมือนหูหนวกแล้วมีตาก็เหมือนตาบอดไม่ได้เรื่องนะแต่ไม่ใช่ต้องเห็นเทวดาทุกคนนะเห็นกิเลสเลยเห็นกิเลสนะยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะดีกว่าเห็นเทวดาอีกฉะนั้นแกล้งลองดูเท่านั้นแหละเห็นฝรั่งนี้นั้นชอบทําสมาธินะอลองแย่ดูเงินเห็นบอกเป็นเห็นพวกเราไม่ต้องไปเห็นเทวดานะให้เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามของเรานะ ดีที่สุดเลยเอ่ะวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะคือเราพ่อสังเกตอย่างนะคือที่ที่สวนสันติธรรมกับที่เนี่ยคนที่รับธรรมะได้ประนีตเนี่ยเยอะนั้นธรรมะที่เทศออกมาช่วงหลังๆเนียะละเอียดจะประนีตมากขึ้นมากขึ้นนะธรรมะมันพอดีกับคนฟังใจไม่พร้อมกับธรรมะก็ไม่มีธรรมะให้ฟังหรอก นี่พวกเราใจพร้อมกับธรรมะนะเพราะงั้นฝึกนะได้ฟังธรรมะแล้วรู้สึกตัวคือศีลไว้รู้สึกตัวบ่อยๆรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจทํางานใจเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆยังไงก็ต้องดีขึ้นสักวันหนึ่งแหละจะเริ่มเห็นธาตุขันเป็นแยกออกไปตอนนี้พวกเราที่แยกธาตุแยกขันเป็นนับจํานวนไม่ถูกแล้วเยอะมากเลยไปฟังซีดีตอนที่เาส่งกันบ้าน ฟังซีดีแผ่นท้ายๆนี่แหละสักสิบแผ่นหลังมาเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องแยกธาตุแยกขันนึกออกไหมหายากแล้วนะที่จะมาถามหลวงพ่อว่านั่งไปแล้วเห็นนโน้นเห็นอันนี้ไร้สาระนี่นั่งแล้วเห็นขันมันแยกออกไปทํางานอะไรอย่างนี้ฟังแล้วมีสาระนั่งแล้วเห็นขันตกต้นไม้ก็ดีนะดีกว่าไม่เห็นอก็ดีอย่างเวลารถกว่ํา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 ท่านบอกลูกศิษย์เรอว่าพระพมรภาวนาเก่งไหเอ้าพอสมควรนะเชิญพ่อครับผมทำตามที่หลวงพ่อสอนมาข้อปีที่3ตอนนี้จิตมันเห็นการเกิดอยู่เป็นช่วงๆบางวันก็เยอะบางวันก็เกิดแล้วเห็นดับไหมหรือเห็นแต่เกิดเห็นสุดยาจะชาัดที่เกิดครับดับน้อยมากต้องดูบ่อยๆนะ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 มีคนเขากําลังสรรเสริญเราไปเดินทางไม่ดีอะครับพอดีจิตมันเป็นกลางแล้วก็รู้ว่าดีใจว่ามันเป็นกลางมันจะเย็นอนั่นแหละให้รู้เอานะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเราก็วินอยู่ชนรู้ด้วยตนเองครัไม่รู้เองแหละต้องถามเลยหลวงพ่อแหละถ้าเป็นกลางนะจิตก็ไม่ปรุงต่อถ้าไม่เป็นกลางจิตจะดิ้นถ้ายินดีขึ้นมาจิตก็ดิ้นถ้ายินร้ายจิตก็ดิ้น อย่างพอเขาสรรเสริญในทางลบในภาษาไทยเดี๋ยวนี้สับสนมากเลยนะเขาสรรเสริญในทางลบเขานินทาในทางบวกก็คงมีบ้างะ่ะทั้งนั้นนะพอเขาสรรเสริญในทางลบนะเรารู้ทันใจเป็นกลางเกิดยินดีใช่เกิดยินดีขึ้นมาให้รู้ทันว่ายินดนะีแต่มันมีอีกตัวหนึ่งต้องแยกให้ออกถ้ามันเป็นปีติไม่ใช่ยินดีนะมันเป็นปีติมันอิ่มใจขึ้นมา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 นะให้รู้สึกตัวให้สบายรู้สึกตัวไปโปร่งโปร่งเบาเสบายรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาเนะีย่ยไปกดจิตให้แข็งแข็งรู้ไปสบายสบายสบายจิตที่สบายแล้วจิตมีความสุข ม, มีสมาธิขึ้นมากลับนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะกลัวไหมตื่นเต้นโอี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 ขอบพระคุณเจ้าค่ะจิตต้องตั้งมั่นนะจุด อ, อนของคารวาสก็คือจิตไม่ค่อยตั้งมั่นไม่ถึงฐานนะบางทีภาวนาไปมีความสุขนะแต่ความสุขมันกว้างๆออกข้างนอกไปนะเราค่อยทวนมาดูกายดูใจบ่อยๆนะให้จิตเข้าเข้าบ้านอย่าให้จิตหนีออกไปนอกบ้านนักบัณฑ์ค่ะหลวงพ่อต้องขอออกตัวนิดนึงว่าโยมตื่นเต้นมากม <laughs> ทีนี้เนี่ย เ, เมื่อตอนประมาณต้นปีเจ้าค่ะโยมฝึก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 เจ้าค่ะความจริงฟังหลวงพ่อเทศส เ, เรื่องก็แยกใช่เจ้าค่ะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยโยมก็มีอาการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือมีความรู้สึกว่าเห็นอะไรมันแว บ, บแบแวบแ บ, บ, แ บ, บตลอดเวลามันแว บ, บอยู่ตรงไหนบา ง, งครั้งโยมคิด ว, ว่ามันเป็นที่สายตาแต่โยมคิดว่าเป็นความรู้สึกมากกว่าบางทีก็เป็นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่นะแล้วก็มีมเป็นมีลักษณะเป็นแบบดับ แล้วก็ดีเลยเวลาแป๊บหนึ่งหรือบางทีก็เป็นแบงๆบางครั้งก็เป็นสว่างบางครั้งก็เป็นมืดเคยเห็นแวบๆที่กลางหน้าอกไหมยังไม่เคยเห็นเจ้าค่ะนะใกล้หัดรู้หัดดูไปเรื่อเวลากิเลสจะเกิดน้ำผุดขึ้นกลางหน้าอกเนี้ยนะเจ้าค่ะอันนั้นเราเห็นรูปเกิดดับปั๊บๆอยู่ตามร่างกายนะเห็นรูปเห็นเวทนาเวทนานิยมคิดว่าคงจะยากสําหรับโยมไม่เคยเห็นเลยเจ้าค่ะจะไปเห็นเป็นความคิดอะไรบางอย่างมันแวบออกไปอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนั่นเป็นพวกทิ่ทิจริตนักคิด ดูจิตเอาแล้วพอหลังหลังจากที่รู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีแล้วก็เห็นอะไรแวบๆบแบบมาพักหนึ่งเนี่ยมันก็เสื่อมอย่างมากเสื่อมถ้าอยากเห็นนะจะไม่เห็นอีกเจ้าค่ะมันถึงขั้นตั้งสติอะไรไม่ได้เลยเออให้รู้ทันใจที่อยากจะเห็นนะเจ้าค่ะความอยากมันบงังสติมันก็ไม่เกิดที <laughs> น, นี้มันก็ดีขึ้นมาสักสองสวันหลังเนี่ยเจ้าค่ะมีสองสามวัรู้สึก ว, ว่าบ้าดีขึ้นเล้ยโ <laughs> ยมมีคําถามในเรื่องของออสันสติอะเจ้าค่ะหรือการขึ้นวิปัสสนาแท้เนี่ยถ้าเราเห็น ขันแยกดังอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นวิปัสนาแท้แล้วหรือยังเจ้าค่ะขันแยกแล้วเห็นไหมขันแต่ละขันเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปหรือเห็นว่ า, าขันแต่ละขันบงันบงคับไม่ได้เจ้าค่ะแต่ว่าไตรลักษณ์อของขานน ะ, ะถ้าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของขันนั่นแหละวิปัสน า, าก็พอได้อยู่ไม่จำเป็นต้องเห็นสันตติค่ะช่างเกิดของคนอื่นเขาเห็นก็ช่างเขาเราค่ะเราไม่ต้องเห็นตามเขาหรอกเจ้าค่ะเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเลยก็ได้เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะหมดคําถามแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะ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 เวลามีปีติรู้ไหมนี่ยเราค่อยรู้ไปแล้จะเห็นเลยใจเรานี่นะมีความรู้สึกเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเลยะการที่เราเห็นจิตใจของเรามีความรู้สึกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่เราเดินปัญญาอยู่แล้วะเราจะเห็นเลยความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลน่ะกุศลมีแต่ของไม่เที่ยงะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจของตนเองเรื่อยๆรู้สบายๆนะฝึกอย่างนี้แหละฝึกไปนะ กาบนมัสการใช่ไหะยมเคยส่งการบ้านเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกยมถล่มเข้าไปดูออกไหมก็ทรมานอยู่ต้องเป็นเดือนเดือน <c oughs> อคือที่ผ่านมายมก็ไปปฏิบัติธรรมเป็นระยะระยะเห็นเป็นระยะระยะ <c oughs> แต่อยากจะถามหลวงพ่อสักเรื่องหนึ่งว่าอันนี้มันเป็นการส่งออกไปข้างนอกหรือมันถล่มก็ไปข้างในอีก อคือโยมไปเมื่อเดือนที่แล้วไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็โยมทําแก้วอะของวัดตกค่ะอืแล้วนาทีที่มันตกโยมรู้สึกว่าโยมก้มลงไปดูแล้วทุกอย่างมันหายไปหมดเหลื อ, อยุบแก้วใบเดียวอแล้วมันเรามันก็ตกไปช้าค่ะอืช้าแล้วจิตหนึ่งเล็กๆมันบอกว่าคว้าสิคว้าทันเออจิตเล็กๆบอกว่าไม่แตกหรอกเพราะมันชา้าอื เสร็จแล้วมันก็ลงพื้นแล้วมันก็แตกเป็นรอยเล้าแล้วมันก็กระจายไปแล้วโยมถึงได้นนรู้สึกส ต, ตัวสติเราเร็วเราเห็นเป็นช็อตชอต็ชอชชเลยนะแต่มันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปื้นเดียวไม่เห็นเป็นช็อตเลยฮะไม่ไมรู้สึกไหมมันเคลื่อนช้าช้าอ่ามันช้าช้าเนาะพราสติเราเร็วนะถ้าสติเราช้านะแตกไปแล้วเพิ่งจะรู้ว่าแตกฮะโยมเห็นแต่ตอนสุดท้ายมันลงอย่างรวดเร็ว ถึงพื้นแล้วมันก็เป็นลอยแล้วโยมเห็นลอยแล้วก่อนที่มันจะแตกกระจายแล้วมันก็แตกเป็นลอยแล้วอันนั้นจริงจงด้วยนั่นแหละอันนี้คือส่งจิตออกนอกใช่ไหมคะใช่อ๋ออันนี้ก็ผิดใช่ไหมคะเห็นไหมจิตเราไปอยู่ที่แก้วฮะโลกทั้งโลกดับหรือแก้วอยู่ใบเดียวตันนั้นจิตเราไปรวมพ่อกับแก้วนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีสมาธิเกิดขึ้นรู้สึกตัวตอนที่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 เพราะว่าจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมามันก็ถูกเหมือนกันโยม <ฮะ S 2> ชอบทําผิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็ออกไปเดี๋ยวก็เข้ามาเลยให้รู้ทันออกแล้วก็รู้ทันเข้ามาก็รู้ทันอันนั้นแหละถูกแล้วถูกตรงที่รู้ทัน ข, ขอถามอีกเรื่องหนึ่งต้นเดือนที่ผ่านมาโยมไปทํางานงานโยม ง, งานของโยมเป็นงานยอบอค่ะซึ่งเวลาทํางานนั้นมันเกิน15ชั่วโมงทุกวันเลยต่อเนื่องไม่มีวันหยุดอะไรเงี้ยถ้าทําก็คือไม่หยุดเลยต้องต่อเนื่อง3าวันหวันเวันอะไรเงี้ย แล้วแล้วโยมก็มันเหนื่อยเพราะโยมก็อายุเยอะแล้วด้วยมันเหนื่อยใช่ไหแล้วโยมก็เครียดโยมเห็นความเบื่อเห็นเนี้ยแล้วแล้วเสร็จสิบวันเสร็จงานโยมรู้สึกว่าการทำงานมันไม่ค่ายจะเหมาะสมกับโยมหรือเปล่าเพราะโยมจะเครียดมากเครียดแล้วก็เหมือนกับโมโหร้ายอะค่ะคือเราเครียดเพราะเราอยากนะเราอยากให้งานเสร็จอยากให้งานดีมากๆ พอมีความอยากเกิดขึ้นอย่างอยากให้งานเสร็จเร็วๆอนี้นใจญ่ก็เครียดถ้าเรา<ม>ถ้าาส่วนไม่ใช่ผัสสะผัสสะสิเป็น<ส>ต้นทางผัสสะก็แรงมากเพราะงั้นเราคอยรู้ทันจิตไปรู้บ่อยๆนะอทําให้โยมคิดว่าโอ้การทํางานมันเป็นโทษอน่าจะไม่ต้องทํางานมีหน้าที่ต้องทํางาน <c oughs> ก็ทํางานทํางานแล้วเบือ่อรู้ว่าเบือ่อทํางานแล้วขี้เกียจรือว่าขี้เกียจทํางานแล้วอยากให้งานดีๆรู้ว่าอยาก ถ้าตั้งใจทําไปออืค่ะอะข อ, ข อ, อเลือกเลยไหมคะที่จริงมีเยอะแต่แต่ไม่กล้าถามเออ่ะไม่ได้หรอกนะคนอื่นเขไม่ยอมมีวันหนึ่งโยมกําลังยืนหรือเดินไม่แน่ใจคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมันเริ่มจากที่เท้าขึ้นมามันบางๆเหมือนชาแล้วมันก็กินขึ้นมาเรื่อยๆๆๆๆๆจะมันกินไปทั้งตัวเลย <c oughs> อันนั้นคือเป็นเป็นเวทนาหรือเปล่าคะไม่ใช่ฮะ <c oughs>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 พิจารณาเข้าไปในกายเนี่ยก็จะเห็นโครงกระดูนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเห็นถึงเอาไว้ว่าภายในแล้วก็มีบางครั้งซึ่งจะได้กิ่นของกลิคลาของเลือดด้วยอืทีนี้ทําให้หนูกลัวนะคะหนูก็เลยไม่กล้าพิจารณาอย่างนั้นคือตอนหลังก็เลยเลิกไปทําได้ดี <c oughs> แล้วนี่แต่ว่าให้รู้ทันจิต ท, ที่กลัวนะพอความกลัวหายไปก็ดูมันต่อไปอีก ดูไปนร่างกายเนี่ยแตกสลายไปแล้วจิตเป็นคนดูอยู่เลยได้จิตขึ้นมาก็เคยเคยดยู่ทั้งว่ามันสลายเป็นผงแล้วก็กลับขึ้นมาอีกออแต่ก็ยังกลัวอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้พิจารณาแบบนี้นะแล้วค่ะเสียดายนะ<ๆ>มีบารมีทางด้านนี้น่าจะดูต่อไม่เป็นไรหรอกดูบ่อยบ่อยคือตอนนี้หนูก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังออซึ่งกายข้างนอกแทนออนี้นะคะ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 เออ เ, อเวียจริงๆเลยช่วยไม่ได้กรรมแล้วแล้วคือมีบางครั้งนะคะรู้สึกว่าโกรธเพื่อนหรือโกรธอะไรน้องในงานซึ่งเขาทำงานไม่ไม่ดีเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่ามันเป็นความโกรธแต่เราไม่สามารถระ ง, งับได้อ่ะเราระ ง, งับวาจาระ ง, งับมือเราระ ง, งับเท้าไว้ก่อนเท่านั้นแหละทางใจเนี่ยให้รู้ทันเรานะรู้ทันคนเราโกรธมากมากเนี่ยบางทีโกรธคนอื่นนะ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 กลับนมัสการคะ่ะหลวงพ่อเออพิ่งมาส่งการบ้านครั้งนี้ครั้งแรกคะ่ะแล้วก็เพิ่งพบพระอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันคะ่ะแต่ก็ฟังจากซีดีแล้วก็อ่านจากหนังสือเมื่อสักสอสามปีก่อนคะ่ะแล้วก็ทํามาลุ่มๆดอนๆนะคะตอนนี้คําถามก็คืออยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคะหลวงพ่อถามบ้างดีกว่าค่ะเคยเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันไหมเคยค่ะเคยเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายไหม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 ใช่ <c oughs> ไหมโกรธเป็นไหมก็เป็นใช่ไหม <c oughs> โ, โลบก็เป็นหลงก็เป็น <c oughs> ดีใจเสียใจสุขทุกข์เป็นหมดแหละก็ <c oughs> ะแค่รู้สึกว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไง <c oughs> ธรรมดาธรรมดาแล้วถ้าคิดจะผิดด้วยหรือเปล่าคะห้ามไม่ได้ <c oughs> จิตมันมีหน้าที่คิดนะเพียงแต่ว่าเวลาคิดเราก็รู้ทันว่าจิตกําลังไปคิดอยู่ <c oughs> ถ้ารู้ทันว่าจิตไปคิดอยู่แล้วความคิดจะดับลงไปชั่วขณะเราก็จะเห็นว่าจิตมีสองชนิด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 แต่จะต้องเป็นอารมณ์ที่เด่นขึ้นมาพี่จะแบบตกใจหรือว่าะจะเห็นตัวเองตกใจนั่นถ้าฝึกไปอย่างนี้น ะ, ะเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะมันไม่ขาดสติหรอกสติอัตโนมัมจะเกิดขึ้นอย่างรถจะคว่าจะหงายนะมันป้องกันตัวได้เยอะเลยน ะ, ะอย่างหัวกํลาลังจะโขกแล้วมันเห็นเป็นภาพสโลอย่างที่โยมตะกี้เห็นแก้วแตกนี่หัวก็เลยจะโขกอันนี้ใกล้จะแตกแล้วหลบได้น ะ, ะแล้วเวลาสุขจะตายจริงๆร่างกายมันตายเราเป็นคนดู เราทำได้อยู่แล้วค่อยฝึกไปแล้วจะเพราะว่าธรรมะน่าอัศจรรย์ที่สุดแค่ขันแยกแค่นี้รู้สึกไหมชีวิตก็เปลี่ยนแล้วไปฝึกต่อนะแค่ขันแยกก็เปลี่ยนแล้วนะถ้าจิตพลากจากขันนี้ลันดอนจะขนาดไหนขอบพระคุณครับครับหลวงพ่อรู้สึกตื่นเต้นมากครับเลยรู้สึกว่าไม่น่ามาถามเลย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 ส่วจิตใจก็ดูเหมือนดูคนอื่นไปเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็หดทูมนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเลยมีแต่ของไม่คงที่ทั้งนั้นเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับขอบพระคุณมากครับนมัตการหลวงพ่อครับเ อ, อประเด็นที่ผมถามขอสักสองสามประเด็นนะครับอันแรกก็คือเวลาเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมานะครับ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 ไปทำสมถะกรรมาฐานแล้วก็ในระหว่างที่ทำสมถะมันก็มีการระลึกซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมัน ต, ต้องมีการระลึกขึ้นมา ต, ตรงนั้นผมมีเจตนาเพื่อจะมาเพิ่มความชัดเจ น, ใ น, ใ, นในการรู้ขึ้นมาเนี่ยผมผมผมทำถูกต้องแล้วใช <ทำ S 1> ่ไรับถูกต้องแล้วแตาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยดูได้ไม่ชัดหรอก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 ถ้าเราอยากให้เป็นไม่เป็นอีกแล้ะผมกําลังเรียกร้องมันอยู่มันเป็นตัวปัญญานะอ๋อครับแสดงว่าปัญญาในทุกระดับเกิดอัตโนมัติทางนั้นเลยใช่ไหมครับือปัญญาปัญญาปัญญาจากการภาวนาเนี่ยอัตโนมัติเกิดปัญญาจากการคิดเนี่ยไม่อัตโนมัติหรอกต้องไปคิดเอาแต่รู้ว่าคิดน่คือรู้ว่าคิดนั่นแหละดีใช่ใช่มาขอบคุณภาวนาคิดใช้ได้เลยครับขอบคุณครับ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 หนูใหญ่หลวงพ่อช่วยแนะนําต่อไปค่ะว่าเขาดูเป็นสิทธิจิตจะเงียบจิตจะฟุ้งจิตก็เป็นไปเองนะแต่ก็การภาวนาเนี่ยถ้าฟุ้งมากๆก็ดูยากนะเราต้องช่วยมันนิดนึงทาสมถะบ้างถ้าทําได้ไม่รู้จะทําสมถะแบบไหนก็ต้องพุทโธในใจไปสวดมนต์ในใจไปพุทโธพุทโธแล้วจิตไปฟุ้งสั้นเราก็รู้ทันพุทโธแล้วจิตสงบเราก็รู้ทันหาเครื่องอยู่ให้มันนั่นไปอยู่กับลมหายใจก็ได้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 เพ่งมากไปหรือว่ า, าควรจะทําสมาธให้มากกว่านี้หรือเปล่าครับเพ่ง <P en ch> หรือไม่เพ่งนะดูง่ายๆน ะ, จะ <c oughs> ใจทื่อๆซึมๆนะถ้เพ่งมากไปอ๋อครับใจแข็ ง, ขงๆเครียดๆนะเพ่งแรงไปมากไปครับนะสมถาธถ้าทําถูกก็ดีถ้าทําผิดก็ยิ่งเพ่งมาก <c oughs> <c oughs> นะครับนั้นสมาธิต้องทแบบมีหลักเรื่องอารมณ์ที่สบายใจนะแล้วก็ะระลึกมันไป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 คือเิ เ, <ค>อเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนะจะทําสมาธิหายใ จ, จะอะไรนะหายใจด้วยความรู้สึกตัว<ม>พุทโธด้วยความรู้สึกตัวนะทำด้วยความรู้สึกตัวเรื่อยๆจิตจะได้ทรงตัวมีกําลังขึ้นมาแต่ถ้าเราทําสมาธิเริ่มต้นในการน้อมให้สงบเน้นน้อมอย่างนี้แป๊บเดียวเราก็โมหะแทรกไปไม่ดีคือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งรถแท็กซี่แล้ว เ, เกิดอยากรู้สึกตัวครับหลวงพ่อ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 เหมืนก็บมันมันรวมแล้วก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาแล้วก็เหมือนเหมือนอยากจะร้องไห้เลยสุขเอยนั่นมันมีปีติขึ้นมาตรงที่เราเห็นมันสายแล้วเรามีสติรู้ทันก็คือจิตมันไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นะเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาชอครับมีปีติเกิดได้ครั้งเดียวครับครั้งเดียวเพราะว่าอยากให้เกิดอีกนั่นปัญหาเดียวกันทุกคนเลยเขเคยรู้เคยเห็นอะไรขึ้นสักทีนะอยากให้มีทุกวันมันเลยไม่มาอีก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 อันหนึ่งนิโรธเพราะมีสติอันหนึ่งนิโรธเพราะมีสมาธิอันหนึ่งนิโรธเพราะมรรคอีกอันหนึ่งเพราะผลอีกอันหนึ่งนิพพานอันนั้นเรามีสติมีสมาธิแต่ว่ามีนิโรธไหมก็มีนิโรธเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ตัวนิพพานคําถามสุดท้ายขอเรียนถามท่านว่ากรรมกรรมเก่าครับหลวงพอ่อมันสามารถควบคุมการปฏิบัติของเราได้หรือเปล่าครับกรรมเก่าเนี่ยส่งผลให้เราต้อง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 มาถึงชาตินี้จะขยันปฏิบัติก็ไม่ขยันหรอกเพราะมันสะสมโงมาอย่างนั้นแต่เราอย่าโทษกรรมเก่าเช่นกรรมเก่าส่งผลให้ยากจนเนี่ยไม่จำเป็นต้องจนตลอดการเราทำกรรมใหม่ที่ดีพะพุทธเจ้าสอนคาถาแก้จนไว้รู้จักหาทรัพย์อุตฐานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรออะไรเนี่ยนะงานสุจริตนั้นมีเกียรติพออย่ารังรอรีบทากินเร็วไวอย่างี้ อารักษาสัมปทารู้จักหาอย่างเดียวยังไม่ได้ต้องรู้จักรักษาไวอย่าปล่อยให้ทรัพนันวอดวายกาลยานามิตรตาการครบหากันนิมิตสหายครบเพื่อนดีก็จะสบายคบเพื่อนร้ายจะวุ่นวายตรอมต ร, ม, ตรมนีท่านสอนไป ห, หมดเลยน ะ, นะสมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตให้พอดีพอดีเนี่ยถ้าเราทำตามกรรมใหม่ในหลักอย่างนี้กรรมเก่าส่งผลให้จนทากรรมใหม่ที่ดีอย่างนี้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 กระหม่อมครับอืแล้วก็จะทําให้บังเกิดเห็นเป็นดวงแก้วหรืออะไรก็ไม่รู้ครับเป็นหยุบหยับหยุบยับเลยจะเป็นลูกใหญ่มากะครับอแล้วก็นั่งไปสักพักนึ่ะผมก็จะไปตกอยู่อีกห่วงหนึ่งก็คือนั่งอยู่เฉยเลยจะไม่เห็นไอ้ตัวนี้แะ้วจะนั่งอยู่เฉยครับอันนั้นหมายถึงอะไรครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับนะเห็นอะไรก็ได้นะเห็นแล้วก็รู้ทันจิตไป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 คือตอนนี้ผมภาวนาพุโทโธไปลมหายใจก็จะสบายขึ้นแต่แสงสว่างเนี่ยจะสว่างที่หน้าเต็มใบหน้าเลยครับถูกต้องแนละ้วสว่างอย่างนั้นแหละเราอยากเข้าไปอยู่ในสว่างนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกถ้าเข้าไปอยู่ในสว่างนะ่ต่อไปมันจะบังคับได้อะ่ะใช้ไปดูสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้นะมันออกไปเที่ยวข้างนอกอไม่ต้องตามมันไปนะ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 ดีถูกแล้วละ่ะคือผมประเมินตนเองว่าบางครั้งเนี่ยจิตจะเริ่มตื่นได้บ้างบางครั้งกลไม่ทราะถูกแล้วละ่ะนั่นเราคอยดูไปนะเราจะเห็นจิตชัดเจนขึ้นแต่เราอย่าทิ้งกายนะใช้กายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะจะเห็นจิตชัดขึ้นเรื่อยๆมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับตอนนี้ดีอนะ่ะตอนนี้ระวังกันเดียวว่าจิตต้องเข้าฐานจริงๆนะจิตตอนนี้เข้าฐานไหม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 ออกมาดูกายดูจิตต่อไปถูกต้องแล้วล่ะแต่จิตต้องถึงฐานถ้าไม่ถึงฐานให้รู้ทันอย่าไปดึงถ้าดึงแล้วเครียดว่ามาแล้วหรดงพ่อค่ะตื่นเต้นมากมาครั้งแรกค่ะก็อยากทราบว่าไออเวลาเป็นนั่งสมาธิอยู่ที่วัดค่ะทีนี้ก็รู้สึกว่าคิดว่าเป็นดวงแก้วอยู่ตรงสะดื อ, อก็รู้สึกว่าหายใจเข้าออก ก็รู้สึกว่ารู้อยู่ข้างในเทีนี้ก็แล้วก็มีมะม่วงมันหล่นลงมาก็เลยตกใจขึ้นมาโอ้ <laughs> ทิ้งดวงแก้วเอามะม่วง <laughs> ทีนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าจะเบาตัวเหมือนลอยอะไรอย่างนี้<ล>จิตมันไปทรงสมาธิอยู่นะมิทําสมาธิดวงแก้วนั้นเป็นนิมิตนะแต่ก็มาอยู่ที่แปดลิ้วก็จะมานั่งสมาธิ ก็ฟังพระเทศไปอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนลงไปข้างล่างอ่ะลงไปข้างล่างเลยอย่างเงี้ยลงไปลงไปก็รู้สึกกลัวค่ะอกลัวก็ไม่ไม่อยากนั่งค่ะอืไม่อยากนั่งนั่งไปสิพอมันกลัวให้รู้ทันจิตที่กลัวจิตมันกลัวแล้วรู้ไปนะความกลัวก็จะหายไปจิตจะตั้งมั่นแต่อย่าให้ไหลเข้าไปนะเราดูห่างๆอย่าให้มันไหลเข้าไป ถ้นั่งไปนานๆก็จะรู้สึกว่าลงเข้าไปลึกๆแล้วว่าจะกลัวเหมือนกลัวตายเยอย่าตามมันเข้าไปแค่แค่รู้ว่ามันรวมลงมานะอย่าตามลึกๆดิ่งๆลงไปเรื่อยๆไม่ดีก็บางครั้งก็จะนั่งแล้วก็รู้สึกใจมันจะเต้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยก็จะกลัวรู้สึกกลัวหมดเลยจะจะกลัวตลอดค่ะทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็รู้สึกว่าจะกลัวให้ดูไปเลยเรารักตัวมาก กลัวตายนั่นแหละมันค่ะก็มีแต่อยากจะร้องไห้อย่างเงี้ยนะให้รู้ทันเลยใจมันกลัวตายนะกลัวก็ตาย <c oughs> จ้ะกลัวตายตลอดไม่กลัวก็ตายจ <c oughs> ากลัวจะไม่กลัวก็ตายแหละอย่าไปกลัวมันดูมันไปก็ต้องเริ่มนั่งทำใหม่หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ฝึกไปทุกวันนะนนะคอยรู้ทันใจของเราไปใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจดีก็รู้ใจร้ายก็รู้ รู้ทันใจบ่อยๆถึงเวลาก็ทําสมาธินะพักผ่อนอยู่กับดวงแก้วไปก็ไม่เป็นไร อ, น <ะ S 2> อย่าไปเอามะม่วงนะอ <c oughs> ย่ภาวนาคิดถึงมะม่วงเกิดอะไรตกละเบทับคอหักตายแล <c oughs> ้ว่ไปเกิดเป็นหนอนเลย <c oughs> อย่าไปกินมะม่วงก <c oughs> ็ไม่แค่นี้แหละค่ะนัไประชาการเจ้าค่ะอยากจะขอคำแนะนาจาก พ, พ, พระอาจารย์เจะพักแม่ชีภาวนาอย่างไงยุบหนอพองหน่อจะพักยุบหน่อพองหนอก็ได้นะดูเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเป็นแค่คนดูดูเหมือนดูคนอื่นเรื่อยไปนะจนเราวันหนึ่งเห็นความจริงอะร่างกายไม่ใช่เราหรอกนะเป็นแค่วัตถุธาตุที่เดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบมีธาตุไหลเข้ า, ห า, ออขาไหลออกก็ธาตุไหลเข้าไปก็พองธาตุไห ล, หลออกก็ยุบไปนะเห็นแค่มันเป็นก้อนธาตุใจเราเป็นคนดูสบายสบาย อย่าให้จิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องนะอย่าให้มันเพ่งเข้าไปที่ท้องแค่รู้สึกเห็นธาตุมันพองธาตุมันยุบนะมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกแนะม่ชีดูอย่างนั้นบ่อยๆช่วงนี้หันมาดูลมหายใจเจ้าค่ะแล้วก็ข้างในนี้จะแน่นไปหมดแน่นแน่นเหรอหรือว่าอะไรแน่นไปหมดาาอ๋อแน่นเพราะจงใจดูนะถ้าเราอยากมากเราจงใจมากมันจะแน่น ถ้าเรารู้สบายสบายแม้ชีต้องสบายกว่านั้นนะทาใจสบายยิ้มก่อนเห็นไหมจิตตอนนี้คลายกว่าเมื่อกี้นึกออกไหม <c oughs> เวลาเรายิ้มนะจิตจะผ่อนคลายสังเกตไหมพระพุทธรูปไม่มีหน้าบึ้งสุกองค์เลยนะพระยิ้มทูงองค์เลยเห็นไหมแต่ไม่ต้องขนาดแปะยิ้มนะเออยิ้มน้อยๆมีความสุขนะยิ้มแล้วก็ค่อยรู้สึกไปนะเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเป็นคนดู ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆกระทั่งล้างความเห็นผิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรานะให้ฝึกไปอย่างนี้นะไม่ ช, ชีแล้วก็อีกอย่างนึงจ้ค่ะมันเหมือนกับมีสิ่งทำงานอยู่ภายในเจ้าค่ะคือเล่น ง, งานหรือว่าภายในจิตนะเจ้าค่ะจะทำอยู่ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงตื่นขึ้นมาทีไรมันเหมือนค่ะมีสิ่งที่ทำอยู่ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะจะทราบว่า จะให้แม่ชีทำยางไงเจ้าค่ะแม่ชีดูมันทำงานนะแม่ชีดูไปเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยนะไม่มีตัวเราทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่สภาวะธรรมที่จิตไปรู้เข้านะจะเป็นการเคลื่อนไหวทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวภายในจิตก็ตามเป็นแค่สิ่งที่เราไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะดูเหมือนดูคนอื่นนะอะมีอีกไหมนนครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะ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 ยถาวาริวาฮาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตจินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิดประเมวาสมิจชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยะถาสัพพิตโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขาโยโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจจังุทธาปัจจายิโนจ ต, ตารโรธรรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขังพะลัง